ด้วยพระนามของ a l l a ผู้สรงกุรุณาผู้สรงเมตตาเสมอความหายนะจงประสบแด่ผู้นินทาและผู้ใส่ร้า ย, ายผู้อื่นทุกคน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 ลและอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าอัลฮุตต์อมานั่นคืออะไรคือไฟของอัลลอที่ถูกจุดให้ลุกชนซึ่งมันจะลุกไหม้เข้าไปในหัวใจแท้จริงมันจะลุกไหม่ภูมพวกเขาอย่างมิจฉิต อยู่ในสภาพของเสาสูงฉลุด